สถานที่บังเปนในข้างพุตธการถ้าจะเทียบมหาวิทยาลัยสองอย่างไงปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยของท่านคือที่ป่าที่เขาในั้งเมือมผา ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่สงบปราศจากการทลุกพลางวุ่นวายกับสิ่งก่อกวนต่างๆเป็นสถานที่ให้ความวิเวกทางกายและเป็นเครื่องโน้นความวิเวกทางใจได้เป็นอย่างดีทุกๆสถานที่ไปนักศึกษาในครั้งพูทธการ ที่เข้าสู่มหาวิทยาลัยเช่นนั้นเป็นผู้พร้อมทุกอย่างศรัทธาก็พร้อมวิิยะผิวความภาคเพียรก็พร้อมสติก็พร้อมสมาธิก็เตรียมพร้อมปัญญา ก็ก่งกลืนกันไปนี่นี่ว่าาระห้าหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นก็คืออาการสามสิบสองนี่เป็นหลักวิชาอันใหญ่โตมากติปะผู้ มารับการอรมศึกษาจะได้รับไปประพฤติปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสตราจารย์องค์เลิศการปฏิบัติทุกแน่ทุกมือความเคลื่อนไหวในอาการต่างๆล้วนแล้วจะเป็นท่าของนักรบทั้งนั้น เพื่อให้จบพรมจันทร์ด้วยความสิ้นสุดวิมุตตานิพพานสังหารกิเลสให้ขาดลอยไปจากจิตใจกลายเป็นผู้สำเร็จปัญญาเอกขึ้นมาปัญญาเอกครั้งนั้นได้จากความสำเร็จอรหัตตบุคคลปัญญาปีปัญญาโทก็ได้แก่พระโสดาพถะดิตาคานาคาคา ปรญาเอกได้แก่พระอาหาต บ, บุคคลผู้สำเร็จปัญญาเอกแล้วเป็นผู้เรียนจบแล้วในมหาวิทยาลัยไม่มีคำว่า ป, ประกาศเป็นัดรันทิปทิโกเป็นใบประกาศของท่านแต่ละองค์ละองค์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 ท่านผู้ทั้งหลายรู้จำพะตนด้วยการปฏิบัติของตนมี่เป็นใบประกาศของท่านที่ทรงค้นคว้าแอบสอแสวงหาเองด้วยความชอบธรรมได้แก่สุ ป, ป, ฏ, นนสปฏิบัณโนอุทุญยาสามิจิปฏิปันโนผลที่ตก อ, ออกจากการปฏิบัตินี้ก็ได้แก่อายะบุคคล ที่โสดาสิธาอนาคาอรหัตบุคคลท่านเรียนท่านเรียนอย่างนั้นเรียนเพื่อประพฤตปฏิบัติหาสถานที่เหมาะสมเป็นที่ฝึกหัดอบรมเรียนเพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจในสัจจะธรรมคือความจริงทั้งหลายทั้งฝ่าย ทุกทั้งฝ่ายนิโรธมักให้แจ้งประจับกลับใจตัวเองเพราะสัจธรรมทั้งสีน่นี้มีอยู่ด้วยกันทุกคนไม่จะนอกเหนือประจากกายกับใจนี่เลยท่านจึงเป็นสังฆโสพนาเป็นความงามแห่งสงฆ์ที่บริสุทธิ์ล้วนๆด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริง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 ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ทำทุกๆขั้นไปได้และอย่างชัดเจนเหมือนใจใจจริงเป็นสิ่งสาคัญมากที่ต้องได้รับการศึกษาอบรมด้วยดีเพื่อความสัมผัสทำด้วยการปฏิบัติอันถูกต้องดีงามของตน้นทั้งพุ้ศการท่านดำเนินอย่างนั้นเมื่อเข้าสมาคมกัน มีแต่เรื่องอัดเรื่องทำรรเรื่องข้อวัดปฏิบัติสถานที่เป็นที่บําเพ็ญว่ามาจากป่าไหนเขาลูกไหนถ้าใดเนิ่มผาใดไปอยู่สถานที่เช่นนั้นการบําเพ็ญเป็นอย่างไรจิตใจได้รับความสงบได้รับความแยบคายมีความรู้ความฉลาดอย่างไรบ้างผู้ใดได้รู้ทำ ในแง่ใดขั้นใดภูมิใดนำอัตธรรมแง่ต่างๆซึ่งตนรู้ตนเห็นมาสัมรสมทนียตฐานซึ่งกันแกันให้เป็นเครื่องลื่นลื่นไม่มีคําว่าการบ้านการเหนี่ยวการได้การเสียการซื้อการขายเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องรักเรื่องชอบเรื่องกันนั่นจิตนี้อันเป็นเรื่องของโลกท่านไม่นําเข้ามาเกี่ยวข้อง ร, ราวกับว่า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 สถานะของพวกเราท่านดำเนินอย่างนี้พระพุทธเจ้าเราก็เคยเห็นขประวัติของท่านมาด้วยดีด้วยกันกะว่าทุกองค์แล้วก็ได้เพราะต่างองค์ก็ได้ศึกษามาด้วยกันนะท่า น, นเราสังเกตตามการดำเนินของพระองค์ แม้จะไม่มีครูมีอาจารย์แนะนำคําำสอนแต่วิธีการนำเนินของท่านนั้นเป็นเสน่นะของพวกเราได้อย่างสมบูรณ์ในความสลักทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นความสุขของโลกที่พระองค์เป็นพระองค์หนึ่งเนื่องจากเป็นกษัตริย์จะต้องได้ครอบครองความสุขเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ บริษัทบริวารสมบัติเหรนทองเข้าของไกล้ฟ้าประชาชีมากน้อยอยู่ในราชอาณาจักรของพรกเง่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่โลกจาดธนากันทั้งนั้นแต่พระองค์ทำไมจงึจงทรงเสียสละได้โดย เหมือนอย่างว่าไม่มีความอะไรเสียดายเพราะความมุ่งมั่นในพระไทยนั้นหนักแน่นในธรรมทั้งหลายเฉพาะยังยิ่งความพุ่นทุกข์และความเป็นศรราสดาของโลกเต็มในพระไทยพียงเราทั้งหลายเหล่านั้นจึงไม่มีน้ำหนักมากยิ่งกว่าความมุ่งมั่นของพระองค์ที่จะให้สําเร็จตามพระประสงค์ อันนี้เป็นต้นเหตหุที่จะให้ทรงเสียสะทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแม้จะมีคุณค่าตามโลกสมมติเดียวก็ต า, ามแต่ก็ยังถ้าเทียบกับทมแล้วสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าน้อยนิดเดียวไม่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลดังทำที่ได้กลับจรู้และความไป็ศาสตรยาสอนโลกเพื่อประโยชน์แก่โลกอย่างมากมายนั่นเลย เถ็นไม่ตัดพระไทยออกไปการออกไปของพระองค์นั้นมีความลำบากยากเย็นเสียใจอย่างนี้ไม่มีใครเท่เหมอและไม่ไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเทียบไม่มีใครเป็นคู่แข่งพระองค์ได้ในการเสียชละก็ดีการประกอบความภาคเพียงก็ดีความทุกข์ยากความลำบากในความเป็นอยู่ ใช้สอยต่างๆก็ดีมีแต่ความทุกข์บีบคั้นทั้งนั้นหาความสะดวกสบายไม่ได้เพราะความเป็นกษัตริย์ทรงเสียสละพระองค์ลงมาสู่ความเป็นคนอนาถาสมวยจากชาวบ้านทธรรมดาทั่วๆไปเึิ่มแต่ก่อนทรงไม่ทรงเคยพบเคยเห็นเลยแต่ก็ได้ทรงพบทรงเห็นในขณะ ที่ส่งเสียชราจากราชสมบัตินั้นออกไปความทุกข์ในการประกอบความภาคเพียนพระองค์ก็ไม่เคยได้รับความทุกเช่นนั้นความเป็นอยู่ปูวายทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ไม่เคยมาก่อนราอหนึ่งว่าสวรรค์นมนุษย์ของมนุษย์พระองค์อยู่ในแดนแห่งสวรรค์นมนุษย์มาแล้วตั้งแต่วันประสูติจนกระทั่งวันเสด็จออกทรงพาหนแล้วต้องตกนรก ทั้งเป็นในแดนมนุษย์แห่งความเป็นมนุษย์ก็ขณะที่พระองค์ทรงเสียสละจากปาสาทาาาบริษัทบริวา ร, าราออกไปสู่ที่ทาโลกเขาเรียกว่าสถานที่ดัดสันดานแต่ความจรงิงพระองค์เพื่พอไปดับสันดานที่เหล็กตหความทุกข์ความทรมานทั้งหลายรวมลงในพระสิทธิฐาราชกุ ม, มารซึ่งยังไม่ได้เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าขณะนั้นทั้งสิ้น แล้วการประกอบความภาคเพียรก็ระเกียบตกายเต็มพระสติตกำลังความสามารถขนาดสลบเฉลยไปถึงสามครั้งทุกมากน้อยเพียงไรเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นคติตัวยอย่างได้เป็นอย่างดีสมความเป็นจากรดาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่สเสด็จออกทรงผนวดและบำเพ็ญตลอดมาจนกระทั่งถึงในตรัสรู้และประธานพระโวา สั่งสอนบรรดาศัพท์เรื่อยมาเป็นศาสดามาโดยลำดับดำดาควรยึดเป็นหนักเป็นเกณฑ์ควรยุษเป็นคติตัวอย่างได้อย่างถึงใจไม่มีข้อสงสัยแม้แงไใดแง่หนึ่นงเลยอันเรื่องที่พระองค์ทรงบำเพ็ญผิดพลาดไปบ้างนั้นเป็นธรรมดาของผู้ไม่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนโดยทางที่ถูกต้องให้ราบรื่นดีงาม ก็จำต้องผิดพลาดถ้าเพื่อนเป็นธรรมดาแต่พระวิิยะคือความภาคเพียรและความอดทนทุกแง่ทุกมุมในการบำเพ็ญทั้งหลายนั้นยกให้เป็นคติตัวอย่างอันเลิศสำหรับชาวพุทธทั้งหลายเรานกระทั่งได้ตรัสรู้มีความลำบากมากน้อยเท่ไหร่เราจรึงควรน้อม เอาเรื่องราวของพระองค์มาเป็นคติตัวอย่างเป็นเครื่องยึดต่อการต่อพิปฏิบัติของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการบำเพ็ญนบรรดาสาวกก็ไม่ต้องกล่าวถึงบางองค์ก็ลำบากลำบนเช่นเดียวกันเพราะเคยเป็นประศัตรมาด้ืยอกันมีมากมายและเป็นลำดับําดาเมื่อสรุปลงแล้วไม่ว่าจะมาออ ก, ออก มาจากชาติท่านวันณะใดต้องแบกหามกิเลสมาเต็มหัวใจด้วยกันกิเลสมีอยู่ในหัวใจใดจะไม่ยังหัวใจนั้นให้มีความจุความสบายเป็นอิสระเสรีได้เลยจะต้องบีบบังคับทรมานจิตใจให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อน อยู่เรื่อยมาในการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้ไขเพื่อถอดถอนสิ่งที่เหนียวนั่นแก่นของวัตตะวันนี้ให้ออกจากใจตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกถึงขั้นถึงที่สุดจุดหมายปลายทางนั้นแต่และองค์ละองค์นั้นจะมีความยากความลำบากเพียงไรให้พึงทราบว่ากิเลสไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเปาะเปาะเปะปะปะปะหักง่ายๆฟันง่ายๆายขาดง่ายๆ มีแต่ตัวที่เหนียวแน่นมัน่นคงตัวเฉียวฉล า, าดตัวละเอียดละ อ, อ ก, กรอมมนุษย์กรอมสัตว์โลกให้เคลิมหลับไม่มีวันตื่นได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นการที่จะแก้กิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติอ้อยอิน่นสำหรับสัตว์ผู้โง่เขลาทั้งหลายนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากเรื่องที่ลำบากมากมาย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 การต่อสู้กับพิเภกนี้มีจำนวนไม่น้อยในบรรดาพระสาวกนับแต่พระพุทธเจ้าลงมามทรงฉลบถึงสามครั้งนั่นชื่อว่าการเสียสลับหากจะตายไปเลยพระองค์ก็ยอมจะไม่เรียกว่าเสียสละยังไมให้เราคิดอย่างนี้ในการประฏิฏบัติจิตใจจะได้มีความห้าวหารมีกำลังต่อในการต่อสู้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 สุขาปฏิปทาคิด ป, ปาผิญยาคือปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เลยได้เร็วอันนี้มีจํานวนน้อยมากแต่จํานวนที่ถูถ่ายซิ่งไปซิ่งมาตะเกียบตะกายหกล้มก้มกราบนี้มีจํานวนมากเช่นเราเราทันทันนี้เพราะกิเลสเป็นตัวสําคัญซิ่งไปซิ่งมาก็คือ วิธีการอันหนึ่งที่ต่อสู้กับกิเลสแทบสลบฉลายนี่ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่ต่อสู้กับกิเลสทุกยากลำบากในการประกอบความเพียรท่าใดก็ต่างเป็นความทุกแต่แ ล, ะและอย่างที่เกิดจากการต่อสู้กับกิเลสทั้งหมดทำไมจะไม่ทุกต้องทุกเพราะกิเลสนี้มีแต่ตัวเหนียวแน่นมั่นคงตัวฉลาดละเอียดละ อ, อสุขขุมมาก ในสามโลกาธาบนี้ไม่มีอะไรเกินความเกินเกลเอทที่มีความสุขขุมมากถ้าเป็นเหยื่อก็เป็นเหยือย่อที่สัตว์ตายใจอย่างชนิดไม่ทราบว่าเหยื่อล่อเลยเข้าใจว่าเป็นโอชารถซึ่งไม่เคยได้รับได้พบได้เห็นตั้งแต่วันเกิดมาเมื่อเจอเขาแล้วทำไมจะไม่งับเอางับเอาทาไมและทำไมเบ็ดจะไม่ติดเอาติดเอเพราะเหยือ่อลอก็ตอกเพื่อให้ติดเบ็ด ทิ่เลสล่อสัทั้งหายก็เพื่อให้ติดอยู่ในกองถูกนี่มันเป็นเหมือนแบบการที่จะแก้ที่เลสจึงต้องใช้อุบายวิธีต่างๆพร้อมทัม้งกาลังบังชาความอุตสาห์พ ย, ยายามนอกจากอุบายของปติปัญญาแล้วยังต้องอาศัยพลังคือกําลังแห่งความภาคเพียนกําลังแห่งความอดทนกาลังแห่งความอุตส า, าหพ ย, ยายาม บิกบือกนกันไปเครื่องมือก็ใช้ไปเรื่อยๆสติปัญญานั้นเป็นเครื่องมือันสําคัญเราจะใช้แบบนิสัยเดิมซึ่งเคยมีมาแต่คารวาจะนํามาใช้แก้กิเลสปัญหาซะวะ่ในเพศของพระในกิริยาของพระในอาการของพระแล้วไม่จะไม่มีกิเลสตัวใดหลุดลยอยเพราะนิสัยนั้นเป็นนิสัยของกิเลสหรือเป็น เป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่ใช่เรื่องของธรรมความมักง่ายความสุขเอาเผาสินนี้เป็นนิสัยของกิเลสทั้งหน่วยความเบื่อต่อความท่าเพียนความเ็ลหลาบต่อความทุกข์ในการประกอบความดีด้วนแน่ตั้งแต่เป็นกลนอุบายของกิเลสทั้งหน่วยความหนักก็เอาเบาก็สู้เพราะได้เชื่อแล้วว่ากิเลสนี้เคยทําพิษเรามาเป็นเวลานานแท่านผู้รู้คือป่าสดา ทรงสอนไว้แล้วโดยถูกต้องแม่นยำว่าพิเรกเป็นภัยต่อสัตว์โลกเมื่อเชื่ออย่างนี้แล้วถึงเราจะยังไม่รู้ฤทธ์ของมันด้วยตีชาความสามารถของเ่าก็ตามแต่เราก็รู้ด้วยใจของปุถุชนเรานี่แหละอาศัยตัดทาความเชื่อต่อเท้าว่าของศัสดาสอนนั้นทำให้เกิดกำลังใจที่จะต่อสู้กับพิเรศมากขึ้นโดยลาดับดับ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 เป็นสิ่งที่มีกําลังมากงั้นจะหมุนกันมาเป็นลูกโซ่ความอดความทนความอุตสาห์พยายามทุกแง่ทุ ก, ทกมุมไม่ต้องบังคับหมุนไปเองพ้าความเห็นโทษและความเห็นคุณประจักษ์กับใจนั่นเป็นสิ่งที่มีกําลังมากถึงขนาดทิสละชีวิตจิตใจเพื่อความภาคเพียรเพื่อการต่อสู้เพื่อการถอดถอนเจติติ์ซึ่งเป็นตัวภยัยนั้นได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่หลักของการปฏิบัติอย่างไรอ ย, อย่าลืมหลักของศาสดา ที่ทรงพาดําเนินมาตลอดถททานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆพระองค์และสาวกมีความพุ้งเฟอเห่หืมกับสิ่งใดบ้างไม่มีสิ่งใดที่จะแซงพระองค์และสาวกทั้งหลายแต่ได้บรรดาโลกาถือเพียงอะเป็นเครื่องอาศัยชั่วการชั่วระยะเวลาเท่านั้นไม่ถือสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคขัดข้องหรือมาขีดขวางต่อความภาคความเปี่ยนโดยเห็นว่าสิ่งนั้นบกพร่องสิ่งนี ไม่สะดวกสบายจต่ตุปจัจทายธรรที่โลกให้มานั้นไม่เพียงพอกับความต้องการเป็นเหตุให้ขาดความเพียร เ, เพราะเรื่องอุหนไม่เพียงพออย่างนี้ไม่เคยมีในพระพุทธเจ้าและสาวกองใดที่มีไม่ขาดมากขาดตอนมีขึ้นมาโดยสม่ำเสมอหนุนกันไปโดยสม่ำเสมอเพื่อคือความภาคเพียรเพื่อ อ, อัไเพื่อธรรมของท่าน ท่เพียนเพื่ อ, อเพื่อทำท่านปฏิเพียนเพื่อความคล่องแวะกับโลกามิตบาๆนี่จัตเดาและสาวกคท่านดำเนินอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้กำหัดระวังและแนะนําสั่งสอนให้อุบายมู่เพื่อนอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จึ่งเป็นเรื่องเพียงอาศัยแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาสําหรับจิตที่โง่เขลาปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ไม่รอบคอบกลายเป็นข้าศึกคเครื่องจิตขังธรรมะของตนได้โดยไม่ต้องสงสัยเหมือนกัน จึงต้องได้รมัดระวังาศาสนาท่านเดินอย่างนี้เราผู้เป็นลูกจิตตถาคตลูกจิตนิครูธรรมะออกมาจากพระพุทธเจ้าที่สอนมาแล้วทุกเนืทุกมุมเป็นสวรรค์ธรรมหาที่สงสัยไม่ได้แล้วนิยามีกตธรรมพร้อมที่จะรอรับอยู่เสมอคือทำรรนี้เมื่อปฏิบัติแล้วเป็นเครื่องนําออกทั้งนั้นไม่ใช่เครื่องนําเข้านําออกจากความทุกข์ความวุ่นวายมุ่ น, นวายนำออกจากวัฏจักร ึเหมือนคุกเหมือนตารางที่เราติกมันมากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนปัจจุบันนี้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพราะเหตุแห่งชั่วคือกิเลสนั่นแหละเป็นสาเหตุเป็นตัวการที่พาให้ติดคุ ก, กติดตารางเราอยู่ใต้อำนาจของอยู่เลยการอยู่จะไม่ได้อยู่ดังที่ว่านี่ก็ขอให้ได้อยู่อย่างสถานที่นี้ก็ พอเป็นไปความเพียรเป็นสิ่งสำคัญยาลดละยามีความท้อถอยอยาละอาถ้าละอาต่อความเพียรแล้วก็เท่าเท่ากับละอาต่อธรรมละอาต่อความสุขละอาต่อความสุขพ้นจากห่วงมารทั้งหลายเพราะความละอานี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรม ความเป็นนักต่อสู้ความกล้าหาญความอดความทนความพินิจพิจารณานี่คือธรรมนำมาใช้จะเป็นเครื่องสังหารกิเลสสมกับว่าเป็นความเพียงแท้ถ้าไม่พิจารณาจริงๆจะไม่ทันกลมายาของกิเลสทั้ทงทั้งที่ปฏิบัติอยู่นั่นแหละมันสวมรอยไปโดยลำดับังดาทุกอากักิริยา ที่แสดงออกมันเป็นผู้บงการให้แสดงออกมาโดยที่เราก็ไม่รู้นี่เรียกว่ามันแหลมคมในเมื่อสติปัญญาทางด้านธรรมะของเราทื่อมันต้องแหลมคมอย่างนั้นต่อเมื่อสติปัญญาของเราแหลมคมขึ้นไปเราก็เห็นกนุ่มอุบาสต่ า, างๆเข้ามาแลวสามารถแก้และถอดถอนกันไปได้โดยล้วัวไม่นอกเหนือจาก ทำที่พรูเจ้าทรงสั่งสอนไปได้เลยในกล่าวเบื้องต้นว่าหลักวิชานในมหาวิทยาลัยนั้นคืออะไร อ, อาการสามสิบสองนี่เป็นหลักใหญ่อาการสาสองคืออะไรผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหักหัวใจตับทางผตาไต่อ ใช่ใหญ่ใช่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามีเรียกว่าอาการ32ซึ่งเป็นหลักใหญ่ส่วนใหญ่ของหลักวิชาที่ผู้ปฏิบัติจะพึงคลี่คลายให้เห็นละเอียดทั่วถึงในสิ่งเหล่านี้ที่กิเลสพาสมมุติให้เป็นไปตามความต้องการของมันมาเป็นเวลานานว่าเป็นศัตว์เป็นบุคคล เป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสดสวยงดงามเป็นของกี่ลั ง, ย, งยั่งยืนเป็นของที่น้าเพลิดเพลินลื่นเหลืองเหล่านี้เป็นความเพียรสรรตั้งยอของกิเลสทั้งหมวลการพิ่จรณาขี้คลายอาการสามที่สองที่กิเลสได้ปักปันเขียดแดนเอาไวน้นี้ออกให้รู้ตามหลักความจริงของหมันน้นได้แก่ธรรม ผู้พิจารณาเห็นแจ้งเห็นชัดตามหลักความจริงแต่อย่พูดถึงความเป็นอสุภะอสุพังร่างกายของเรานี้มันก็คือกองอสุภะกองมูดกองคูดของเราโดยดีหรือกองหือชาบผีดิบของแต่ละกองของแต่ละลายอยู่โดยดีแต่อย่าพูดถึงความแปรแปรสภาพรอบตัวทุกอาการไม่มีอาการใดที่จะคงเส้นคงวาอยู่ได้ ถูกขังบีบบังคับได้ทั้งนั้นทั่วเซลลเซลล์นร่างกายทซลล์ส่วนอากาศบีบบังคับตัวเราให้รับความทุกข์ความลำบกทั้งหมดอนาจาจะถือเป็นเราเป็นของเราเป็นศัตว์เป็นบุคคลตามแท้จริงหรือตามความเสกสรนต์ของสมมุติแห่งกิเลสปั้นย่อเอาไว้ได้อย่างไรเพราะกิเลสเป็นตัวจำปลอมอของจริงตรงไหนจริงกิเลสจะเสศสันต์ตั้นย่อขึ้นมาใหม่ ให้กลายเป็นของปลอมไปเสียทั้งสิ้นเราที่มีกิเลสครอบงำจึงต้องเชื่อความจำปลอมข้องงั้นไม่เชื่อธรรมเชื่อธรรมได้ยากด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยการขุดคน้นการพินิจพิจารณาตามหลักธรรมให้เข้าสู่ความจริงนับตั้งแต่อาศุผะอาุพัง หมดทั้งเนื้อทั้งตัวเบื้องบนเบื้องล่างคางในทางนอกไม่มีเว้นว่าไม่มีอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกไม่แทรกอยู่ไม่มีเลยมีเต็มไปหมดด้วยของปฏิกูลโสโครกให้เห็นชัดเจนอย่างนั้นคำว่ารัพ์ว่าบุคคลคำว่าสวยว่างามก็จางไปจางไปนั่นแหละความมาจางไปได้แต่เรื่องจาปลอมนั่นมันจางไปเพราะความกินแทรกเข้าถึง ถึงมากถึงน้อยจางไปมากไปน้อยตามส่วนของมันเมื่อถึงอย่างเต็มที่แล้วก็สลายไปหความจําปลอมนั้นไม่ท่านจึงให้ท่านจึงสอนให้พิจรารณานี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยงานนี้เป็นงานใหญ่โตมากเพราะจิตใจติดอยู่อันนี้เป็นใหญ่ทีเดียวติดอย่างฝังลึกติดอันนี้แล้วก็ปฏิบัติอ น, นั้นติดภายในของตัวเองแล้วก็ปฏิติภายนอกถ้ารู้ภายในตัวเองแล้วก็รู้ภายนอก เพระเป็นสภาพเหมือนๆกันในเรื่องอสุภะอสุขอสุพังปฏิปูนโสโครอันนี้จางความแปรสภาพอนัตตาความไร้สาระที่ว่าเป็นเราเป็นของเราไม่มีเป็นสภาพเหมือนกันหมดเมือ่อสติปัญญาได้คุยเขี่ยขุดค้นกลับไปกลับมาพลิกแพงเปลี่ยนแปลงตามอุบายของสติปัญญาที่ควรจะคิดได้ในเนี้ยในจนรู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งเหล่านี้แล้ว ความจำปลอมที่เคยเส็กสันบั้นยอและเคยสังใจมาเป็นลานานนั้นจะถอดถอนตัวเองออกโดยไม่ต้องสงสัยเพราะอำนาจของสี่ปัญญาอย่างเข้าถึงตรงไหนทำลายความจำปลอมตรงนั้นออกหมดไปหมดไปจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงในส่วนนี้คำว่าเวทนาความสุขความทุกข์มีได้ทั้งร่างกายและจิตใจการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ทางร่างกาย ควาโ ก, กรธกวายไม่อยากให้เป็นและอยากให้หายดินด้านรนภายในจิตใจนั้นเป็นความทุกข์ทางใจโดยอาใช้กายวิกลวิการที่กลายเป็นโรคภัยเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วใจก็มาหลงในตรงนี้ที่ตรงนี้แล้วก็โ่วยทุกข์เข้าไปสู่ตนเพราะความสําคัญมั่นหมายและความต้องการอยากให้หายเมื่อไม่หายยานใจหวังหรือไม่หายทันใจก็เป็นทุกข์ นั่นเป็นเวทนาทางใจงผู้ปฏิบัติในเรื่องกายยภิพ่าจะต้องซึมซาบเข้าสู่เวทนาชี่เกี่ยวกับกายนี้โดยไม่ต้องสงสัยแยกแยกกันออกโดยหลักธรรมชาติของสติปัญญาในขณะนั้นเลยเพราะอยู่ด้วยกันส่วนกิตเวทนานั่นเป็นส่วนละเอียดเข้าไปอีก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 สัญญาความจำฟังด้วยความจำความสาคัญต่างๆออกมาจากจิตแต่เป็นอาการของจิตถ้าจิตมีกิเลส ก, ก็เป็นเครื่องหลอกมาพร้องราะกิเลสเป็นตัวหลอกพักออกมาเป็นสัญญาก็หลอกเป็นสังขารก็หลอกนับภาพทางวิญญาณก็หลอกเพราะกิเลสเป็นตัวหลอกอยู่ภายในจิตใจ จะให้จริงไม่ได้ต้องหลอกเสมอไปชืวว่อว่ากิเลสเป็นของปลอมต้องปลอมเสมอมีอยู่ภายในจิตก็ทําให้จิตปลอมจิตจริงเต็มส่วนไม่ได้สแสดงออกมาก็ต้องปลอมเมื่อปัญญาจริงๆต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแยกให้เห็นตามอาการของมันชั้ญยาหมายไปใกล้ไปกลหมายไปแล้วมันก็เป็นเงาของจิตถ้ามีอวิชาเป็นตัวหนุน หมายไปไหนมันก็ดับเกิดขึ้นก็ดับเหมือนเงาของเรานี่มันเกิดจากตัวแต่ก็ตื่นเงาตัวเองมีสัญญาก็เกิดจากจากแต่ก็ตื่นเงาของตัวเองจนเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆวันหนึ่งคืนหนึ่งนยายยบทหนึ่งหนึ่งมีแต่เรื่องแต่ราวเต็มหัวใจก็เพราะเรื่องสัญญาเรื่องสังขารนี่แหละมันวาดภาพขึ้นเหมือนเขาดูภาพยนต์นั่นแหละ เรื่องเก่าผ่านไปแล้วเรื่องใหม่ผ่านมาแล้วกลับเอาเรื่องเก่ามาคุ่นมาคิดมาพิพจารณาด้วยความเพลิดเพลินดื่นดึิงด้วยความเสีย อ, อกเสียใจไม่ใช่เพื่อความถอดเพื่อความถอนไม่ใช่เพื่อความรู้แจ่อให้กินในสิ่งเหนี้แต่เพื่อความหลงสนิทติดจมกับมันเรื่อยๆไปนี่เป็นอย่างนี้เพราะเรื่องมันอยู่กับสัญญากับสังขารความตรงความสาคัญ อดีตที่เคยผ่านแล้วได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสสัมผันธกับสิ่งใดกี่ปีกี่เดือนกี่วันมันนํามาตุงได้อย่างสดสดร้อนๆเจ้าของไม่รู้สึกตัวไม่ได้คํานึงถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันผ่านไปแล้วคิดมาทําไมออืมันบูดมันเสียมันเน่าเฟะไปหมดแล้วเอามาอุ่นกินทำใหม่ไม่มีสติพอที่จะคิดได้อย่างนี้เลยก็ลา้เป็นของสดสดร้อนๆขึ้นมาในขนาดนั้นแม้จะ เรื่องนั้นจะผ่านไปสักกี่ปีกี่เดือนแล้วก็ตามเมื่อสัญญาสังขารไม่ปรุงขึ้นมาแล้วต้องกลายเป็นของกระดร้อนๆโกหกได้ต่อหน้าต่อตานั่นแหละ น, นี่จึงเรียกว่าสัญญาเป็นตัวสําคัญสังขารเป็นตัวสําคัญที่ทําให้เกิดเรื่องเกิดราอยู่วันนั่นงขั้นคืนยังวันนั่งคั้มคืนยังลุงาา่งภายในจิตใจของเราของท่านทุกๆคนถ้าไม่ใช่เราไม่ได้ใช้ปัญญาข้าพตินิพพาแล้วอย่างไรจะรู้มันไม่ได้ว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องโกหก เป็นเรื่องลมเรื่องแรงที่ออกมาจากจิตใ จ, จ, จตัวเองแต่กลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาด้วยความเสลี่ยสันบันยองอิเดียและความเชื่อของตัวเองถ้าตามหลักความจริงแล้วมันมีอะไรเพราะเรื่องที่ผ่านที่สัมผัสสัมพันธ์ไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันหายไปไหนก็ไม่ยู่ก็คือสังขารคตัญญางตัวเองนี่เองมันเป็นเรื่องขึ้นมาจากผู้นี้ต่างหางไม่ได้เป็นเรื่องขึ้นมาจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นผ่านไปแล้วหาไปแล้วเรื่องอันแท้จริงที่จะทําให้ลุ่มให้หลง มันเป็นขึ้นมาจากตัวเองปรุงขึ้นมาที่นี่ปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องหญิงนั้นชายนี้เรื่องราวอดีตอนาคตเรื่องอะไรก็ตามเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องดีใจเสียใจเรื่องรื่นเรองบันเทิงเรื่องเศร้าโศกเสียใจมันปลุงขึ้นมาในขณะนั้นเป็นเรื่องสดสดร้อนร้อนขึ้นมาก็ตื่นมันอยู่อย่างนั้นนี่นี่เรียกว่าความความหลงตามตามมันไม่มีวันอิ่มอิ่มพอไม่รู้จักตืดจาง ไม่ได้คำหนึงว่านี้เป็นอดีตผ่านไปแล้วเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่ได้สนใจมีตั้งจะ่ติดจมไปกับเรื่องนี้ทั้งนั้นีเน่เหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดชั้ ญ, ญาเหล่านี้เมื่อกิเลสมันมีอยู่ภายในใจสัญนยานี้ก็เป็นเครื่องมือของกิเลสและกลายเป็นกิเลสไปด้วยกันเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องอย่างลงไปให้ทราอาการเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นมันดับ ดีเกิดขึ้นดับชั่วเกิดขึ้นดับเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นจบใจใจเป็นผู้ฟุ้งผู้แต่งขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้หลงสติปัญญาเป็นผู้ตามต้อมเป็นผู้พินิจพิจรารณาวินิจฉัยให้ควรดูชัดเจนแล้วมันเป็นเพียงเงาเท่านั้นรู้ได้ยอย่างชาัดเจนมันต่อยนั่นี่แหละถ้าเป็นปัญญาตื่นอะไรตื่นเงาเจ้าของเดินไปไหนเงาก็ติดตัวกันนั้นก็รู้อยู่ว่าเป็นเงาแล้วตื่นหาอะไรนี่เรื่องปัญญาเมื่อทราบชัดแล้วก็เหมือนลังกับเรา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 ขณะที่สิ่ภายนอกเข้ามาสัมผัสเช่นรูปสัมผัสตารู้แยกเสียงสัมผัสหูได้ยินรู้ยัดลา ย, ย, ยตาปลไปตามเรื่องแห่งความสัมผัสสั้นยาวมากน้อยพออาการที่มาสัมผัสนั้นดับไปความรู้นี้ก็ดับไปพร้อมๆกันแต่อารมณ์ที่นํามาพุ่นคิดนั่นสิมันไม่ดับมันสมมุติอยู่ภ า, ายจในจิตใจเพราะกิเลสมันไม่ดับ มีอยู่ภายในใจถึงต้องได้แยกได้แยกลงไปนับตั้งแต่ขั้นกายที่ได้อธิบายมาแล้วนี้เมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงแล้วเชนนั้นมันก็ปล่อยเรื่องอุปทานความถือกายไม่ต้องบอกอขอให้ปัญญาได้อย่างทราบโดยสมตลอดทั่วถึงแล้วเถออุปทานเป็นผลของความหลงต่างหืกมเมื่อความรู้ปรากฏชัดเจนด้วยปัญญาของตนแล้วความยึดมั่นถือมั่นก็ปล่อ ย, ก, อยก็ถอนตัว เข้ามาแล้วไปยึดตงอะไรเหมือนกับว่าตื่นเงาเมื่อรู้แล้วจะไปตื่นอะไรเงาเนี่ยเข้ามาใพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อธิบายเรียงเรียงกันไปอย่างนั้นแหละในขณะที่พิจารณาเราไม่ได้เรียงนะถ้าจพิจารณาวรูปแล้วที่พิจารณาเวทนาจริงพิจารณาสัญาสังขารวิญญาณนั้นผิดทั้งเพศไปเรียงลําดับลําดามันกลายเป็นปริยัติไปเสียการพิจารณางไม่ได้คํานึงคํานวณไม่ว่าอันใดจะมาก่อนมาหลังมันเหมาะสมกับ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 ทุกดับไปจิตไม่ได้ดับไปด้วยถ้าเป็นอันเดียวกันมันต้องดับไปด้วยกันมันเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นนี่แหละที่เดีย ว, ว่าเวทนาเวลาเราจะพิจารณาแยกเยอะจึงกระตั่งรู้ชัดตามความจริงทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตต่างอันต่างจริงแล้วอยู่ไม่กระทบกระเทือนกันนี่จึงเรียกว่ารู้สัจธรรมรู้อย่างนี้คือจริงอย่างนี้จริงประจักษ์ใจถึงกับอุทานขึ้นมาโอ้โหอย่างนี้เหลย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 หเห็นตามความจริงด้วยสติปัญญาโดยชอบรมแล้วหนึ่งทุกเวทนาที่เกิดขึ้นมากน้อยนั้นดับไปสองต่างอันต่างจริ ง, ง, งแม้ไม่ดับก็ไม่กระเทือนกันเราทราบได้เป็นระยะระยะในการที่จะน่าใจต้องในขันทั้งสี่เมื่อถึงขัานละเอียดที่ปิดใจปล่อยวางร่างกายแล้วจะมีแต่อาการนี่หละมันเด่นอยู่ขัยากับสังขานี่เด่นมาก ในการพิจรารณาตามแต่จะิิีหน้าอย่ามายึดทีเดียวให้จับนั้นพินิณพิจรารณาและจะกระเทือนกันไปหมดเมื่อพิจรารณานหลายครั้งหลายหนทดสอบกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพื่อความรู้จริงเห็นจริงทำไมจะเห็นตองไปได้ตองเห็นจริงไม่เป็นอย่างอื่นและรู้ได้ชัดว่าอาการทั้งห้านี้ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราไม่ใช่จิตหน่งมันรู้เลยครับรูปกายก็าสักแต่ว่ารูปกายเป็นเราได้อย่างไรมันรู้ขนาดถึงมาปล่อยได้แล้วไม่สงสัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่และอาการอาการฟังแต่ว่าอาการอาการมันเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดับมันคงเส้นคงวาที่ไหนได้จิตเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาแม้จะมีกิเลสหุ่มห่ออยู่จนเม็ดตัวก็ตามมันก็คงเส้นคงวาขอางความเป็นจิตไม่มีคําว่าตา รู้อยู่ตลอดจิตนั้นรู้อยู่ตลอดจะถูกกิเลกบีบคั้นขนาดไหนก็รู้ปิดไม่อยู่นั่นคือตัวจิตนี่เป็นสิ่งที่เกิดที่ดาบอาการเหล่านี้อันนั้นไม่ได้เกิดในดาบเวลาพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังพลิกไปพลิกมาตลบหลายตลบทบทวนมีการพูดนี้เราพูดย่นย่อข้ามาเฉยแต่การพิจารณานานย่านะซ้ำๆจากศาตร์เอาถือเอานี้เป็นงาน เป็นงานเป็นชีวิตจิตใจของตัวเองของผู้ดำบำเพ็ญจริงๆจนกระทั่งมันพอตัวเช่นเดียวกับเรารับผ่านแต่นานหรือไม่นานไม่ําพัญคอให้พอกับความต้องการของธาตุเท่านั้นนั่นแหละที่นี่อิม่มอิ่มตัวการพิจนาเมื่อพอกับความต้องการรู้แจ้งเห็นชัดในทุกสิ่งทุกอย่างหายสงสัยแล้วมันปล่อยวางของมันเองแล้วไม่ไม่ได้กําหนดกดเกณฑ์นะว่าปล่อยนั้นก่อนปล่อยนี้หลังเราจะทราบได้ ถ้าในภาคปฏิบัติทันาพาปิญญาอย่างพวกเหล่านี้นะทราบได้ว่าร่างการนี้ปล่อยเป็นอันดับหนึ่งทัยาทั้งขานทินอย่งยางไม่ทราบว่ามันมันปล่อยอันดับสองอันดับสามแต่ทราบได้คัดว่าเหล่านี้มีตัณห์อาการทา้งนั้นไม่ใช่จิตแต่ว่าจะปล่อยพร้อมกนันมันก็ถุน จะว่าปล่อยอะไรก่อนได้หลังนี่พูดไม่ได้สำหรับผมเองผมก็พูดไม่ได้ทั้งๆที่ไดพิจารณาอย่างนี้ดังที่พูดมานี้แยบปล่อยอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่มาพูดเฉยๆก็ไม่ทราบอะไรปล่อยอะไรหลังมันชาบได้ชัดเจนหนึ่งแต่ว่าเหล่านี้อาการทั้งนั้นรู้ได้อย่างชัดเจนแยบปล่อยไม่ไม่หลงหมันกลืนง่ายรู้เท่าหมาันแยบขึ้นมาก็รู้ว่ามันแยบขึ้นมาดับไปก็รู้ว่าดับเกิดคําดับเกิดคำดับ เป็นของคู่กันกับอาการเหล่านี้อาการของขันนี้นี่การพิจารณาทางภาพปฏิบัติตามความจริงเป็นอย่างนี้ที น, นี้ว่ารู้ชัดเจนลนไปแล้วทำไมจะไม่วงแคบเข้าไปแล้วแก่อนกิเลสมันแผ่อานาจไปทั่วขอบเขตตกกะวันเมแต่สายของกิเลส ย, ยาวเหยียดไปหมดครอบฟ้าดินแดน จนไม่ทราบว่าใกล้หรืไ่ใกลขนาดไหนแต่ครั้งเวลาตีเข้ามาตีเข้ามาแล้วมันก็เข้ามาอย่างนี้ปล่อยเข้ามาดังที่ว่าพอรู้เข้ามารู้เข้ามารู้ถึงไหนก็ต้องปล่อยเข้ามาถึงนั้นจนกระทั่งถึงวงขันห้ า, าปล่อยรูปผาขันก็ปล่อยด้วยความรู้เท่าทัานเพื่อการพิจารณาจมเป็มรู้รอบขอบคิดเต็มที่แล้วนทัญญาสั้งขานวิญญาณ ก็พิจารณาไม่ทราบว่ากี่ตลอดครบควรดูอย่างนั้นเอานั้นเป็นงานเกิดก็รู้ดับก็รู้มันเอาเรื่องอะไรขึ้นมาปรุงมาแต่ดีชั่วอดีตอนาคตอย่างไรบ้างตามรู้ตามเห็นอยู่ตลอดนี่เรียกว่าการพิจารณาจนกระทั่งเป็นที่แน่ใจว่าเรานิดทั้งมวลมันเป็นอาการทั้ง น, นั้นออกจากจิตทั้งนั้นแล้วมัน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 นี่เชื้องกิเลสมีอยู่ที่ไหนปัญญานั้นเป็นเหมือนไฟจะลูกล้างเข้าไปลูกล้างเขาไปจนกระทั่งไหมหมดอวิชชาปัญญาสร้างฆาราที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบใจมาตั้งเดิมนั่นได้ถูกสัพพธรรมมีปัญญาเป็นสาคัญเผาเอาเครื่องไม่มีเหลือเลยเอาที่นี่จิต ด, ดับไปไหมถ้าอาการทั้งห้านี้เป็นเป็นเราแล้วกิเลสเป็นเราจริงๆแล้วกิเลสมันดับไปโดยซิ่งเชิงไม่มีเหลือม แม้ภายในจิตใจจะแท้ซึ่งเป็นครังของกิเลสมาแต่ก่อนมันดับไปหมดขาดทางพลาตะหมดแล้วจิตมันดับไหม่นานที่นี่อ๋อสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มก็รู้ได้ชัดเลยที่นี่ความรู้อันนี้เป็นอย่างไงถ้าก่อนความรู้ประเภทนั้นเป็นอย่างนั้นความรู้ขั้นนั้นเปียงนั้นความรู้ขั้นนั้นเป็นอย่างนั้นมาถึงความรู้ขั้นอวิชาเป็นอย่างนี้อ่ะนี่พออวิชชาแตกกระจายไปหมดด้วยหน้าของปัญญาตะปะัดถรานเผาลงไปแล้ว ความรู้ประเภทนี้เป็นอย่างไรนั่นความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ที่อัศจรรย์พูดไม่ถูกพูดไม่ได้เพราะไม่มีอะไรเหมือนในโลกทั้งสามนี้เนื่องจากโลกทั้งสามนี้เป็นสมมุติทั้งมวลธรรมชาติที่รู้รู้ด้วยความบริสุทธิ์ของตัวเองนั้นไม่ใช่สมมุติจะมาพูดให้เป็นสมมุติให้เหมือนสมมุติเป็นไปไม่ได้แต่ปฏิเสธไม่ได้ในความรู้ในความบริสุทธิ์ ในความเด่นของตัวเองโดยลําพังไม่เจือปนกับอสมมุติใดๆทั้งสิ้นนั่นดาบหมายอันนี้ดาบหมายนี่ทีตันว่าเรียนจบปริญาเอกเอโกธรรมโมทำแท่งเดียวจิตคือทำทำคือจิตเป็นอันเดียวกันอตการลิจิตอาการลิ ก, า ก, ารกธรรมคือธรรมชาตินี้แหละมีปริยาเอกในครั้งพุทธการท่านเรียนจบปริญาเอก ไม่ได้เหมือนพวกเราปรัญญาเอกเอกมีในตาข้างเดียวไม่เป็นท่าท่าลงเลในตาข้างหนึ่งบอดไปอีกแล้วเสร็จมันเลยเอกมันเป็นไรมืดม่ปิดทวาร อ, อ้านปฏิบัติเดิให้ดีหลักฐานสถานที่หลักวิชาการดำเนินถี่พระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมา และทรงสอนด้วยวิธีการใดให้ยึดหลักนี้ให้ดีให้เหนียวแน่นมั่นคงไอเรื่องความติดพันกับพิเรศพิเรศติดพันกับเรานั้นมันเคยเหนียวแน่นมั่นคงมาเป็นเวลานามแล้วควรจะจืดจางหรือควรจะชินคาต่อกันบ้างแล้วทำรรนี้ยังไม่เคยสัมผัสใจทำรรที่กล่าวเหล่านี้ยังไม่เคยสัมผัสใจวิธีการดําเนินอย่างนี้เรายังไม่เคยเราเพิ่งจะมาเคยในกะ ในขณะที่บวชต้องปฏิบัติเอาให้จริงให้จังให้เห็นความนริงจะเป็นยังไงจะเสียดายกิเลสตัวใดไหมเอาลงในให้จิตในบริสุทธิ์ให้เต็มที่แล้วสิเราจะย้อนกลับมาเสียดายกิเลสตัวไหนมั่งเราจะเสียดายโล ก, กาธาตุนี้โลกไหนมั่งการมาโลกรูปะโลกอรูปะโลกสามโลกการมาพบรูปะพบอรูปะพบมสมบัติทั้งหลายที่เกิดจึงในโล ก, กาธาตุนี่มีอะไรบ้างเราจะได้ย้อนมาเสียดายมันใหม เมื่อผ่านพ้นไปแล้วเอาให้ลองดูสินักปฏิบัติถ้าทำมาเป็นของวิเศษจะเหนือสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างไรแล้วมันจะย้อนขึ้นมาเสียดายหาประโยชน์อะไรความที่เราเสียดายเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดให้ชะาตรงนี้เอาให้จริงให้จังเรื่ยการปฏิบัติถ้าจริงต้องเป็นดังนี้ไม่เป็นดังอื่นราคะธรรมนี่ สดสดร้อนร้อนปรหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประธานอยู่ในปัจจุบันนี้อ่านบทใดบาทใดคาถาใดเหมือนพระพุทธเจ้าประธานโอวาทในขณะนั้นขณะนั้นไม่มีคําว่าอาดีตอนาคตเพราะเป็นความจริงล้นล้วนความถูกต้องล้นล้วนในธรรมที่แสดงไว้แล้วนั้นจะเป็นอดีตจะไกลที่ไหนกันสมัยไหนไหนกันเป็นความจริงต้องเป็นปัจจุบันเสมอผู้นําเมาเพื่อปฏิบัติจํา ไม่มีข้อข้องใจสงสัยอันใดให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนตั้งอกตั้งใจดังที่กล่าวเมื่อเมื่อสักครู่นี้มันจะกลับมาจะไดยอะไรไหนเอาลองดูว่างนั้นนะคําว่าลองดูนี่พูดอย่างเฉยเฉยอาให้เห็นจริงว่าอของวิเศษมีอยู่กับใจนี่ให้จีเดียดมันเอาไปคลองไปทาําไมให้จีเดียไปเหยียบย่าทํำนายเคี้ยวให้แหลกอยู่ตลอดเวลารับความทุกข์ขนบาไปทาําไม ทามีอยู่เครื่องทห า, ารจี่เหียมีอยู่เครื่องซักผอกมีอยู่นำมาใช้สิเราเป็นมนุษย์ทั้งคนด้วยเป็นพระทั้งองค์ด้วยทำไมจะไม่มีความสามารถเมื่อได้พราวนะครับพระวาาจากพระเจ้าแล้วการดำ่นินทางก็เห็นว่สาสมควรหนึ่งรูสุดเหื่อ